การธรรมาสาระต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องเสียดายคนตายไม่ได้อ่านภาคสองจากผลงานประพันธ์ของดังตรินคำนำจากสํานักพิมพ์ทุกวันนี้ผู้คนเมือลอยกันมากขึ้นฟุ้งซ่านวกบวนและเคร่งเครียดกันมากขึ้นอดทนน้อยลงแต่รุนแรงกันมากขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่มีทางออก ทั้งที่ทางออกมีอยู่และไม่ได้อยู่ลี้ลับห่างไกลสุดขอบฟ้าทางออกนั้นอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเรานี่เองเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่มสองไม่ใช่หนังสือที่เปิดเผยความลับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้แต่เป็นหนังสือธรรมะแนวハウตู How to, ที่จะเปิดประตูสู่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราทุกคนสามารถเอื้อมถึงและสัมผัสได้ ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้โดยไม่ต้องรอเวลาหรือความพร้อมอื่นใดหากใจคุณพร้อมพอคุณสามารถก้าวเดินไปพร้อมๆกับดังตรินนักเขียนผ <journée. S 1> ู้คุ้นเคยและเป็นมิตรผู้อาสาํำทุกคนสู่เส้นทางแห่งความสุขด้วยกันแต่ในจังหวะลีลาและแบบฉบับของคุณเองคุณจะไม่รู้สึกเหงาว่าเหวและท้อแท้ เพราะมีเพื่อนร่วมเดินทางมากมายที่พร้อมกันสมัครใจเลือกเส้นทางนี้ทางสายเอกที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เคยรุมเร้าอย่างไม่รู้จักหยุดย่อนทางสายเอกที่จะผ่อนเบาอาการหนักทึบทางกายใจที่อัดแน่นมานานทางสายเอกที่จะปัดเป่าความทุกข์ความเศร้าความหดหู่ท้อแท้และโรคใจที่เคยเป็นมาทางสายเอก ที่จะเผยให้เห็นทางออกของชีวิตที่พยายามค้นหาไขว่คว้ามาแสนนานและความมหัศจรรย์ก็จะบังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณความสันติความสงบความอบอุ่นโปร่งเบาสบายจะปรากฏขึ้นเป็นความสุขอันประณีตละเอียดอ่อนที่คุณสัมผัสได้รับรู้ได้พิสูจน์ได้เส้นทางชีวิตที่เคยมืดมิดเสมือนทางตันร้ทางออก ก็จะมีแสงรำไรแห่งความหวังเมื่อ น, นั้นคุณจะไม่รู้สึกเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และไม่รู้สึกเสียดายที่ได้อ่านหนังสือของดังตรินเล่มนี้สำนักพิมพ์ดี G อ็มจีคำนำผู้เขียนคุณเคยรู้สึกรำคาญตัวเองที่เมื่อบ่อยเรียนรู้อะไรไม่ค่อยจะทนแล้วอยากมีสติดีขึ้นบ้างไหมคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองมีสติดี แต่นีไม่พ้นความเครียดความอึดอัดกังวลและความทนทุกทางใจทั้งหลายแหลแล้วอยากมีวิธีทําใจให้หายทุกบ้างไหมคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นทุก์เป็นร้อนเท่าไหร่แต่ใจส่วนลึกยังหวยหายังรู้สึกขาดเหมือนยังไม่อิ่มไม่เต็มแล้วอยากรู้จักความสุขอันมหัศจรรย์ที่ไม่พร่องลงเลยไปจนชั่วชีวิตบ้างไหมถ้าทราบได้ว่า แต่ละวินาทีควรมีสติอยู่กับอะไรคุณจะมีสติได้ตลอดเวลาหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีสติดีขึ้นจนน่าทึ่งภายในเวลาอันรวดเร็วถ้าทราบได้ว่าแค่คุณมีสติรู้ทุกทางใจทุกทางใจจะหายไปหรืออย่างน้อยที่สุดก็บางลงจนน่าแปลกใจว่าเบาตัวกันได้ง่ายขนาดนี้เชียวหรือถ้าทราบได้ว่า จะถอนจิตออกมาเป็นต่างหาจากกายใจได้อย่างไรคุณจะรู้จักอิสรภาพอันเป็นบรมสุขหรืออย่างน้อยที่สุดก็เลี่ยมรถความสุขที่เหนือรถทั้งปวงได้เป็นครั้งคราวน่าเสียดายความลับสำคัญของการมีชีวิตถูกเปิดเผยแล้วแต่น้อยคนเหลือเกินที่ล่วงรู้โดยเฉพาะในนามของชาวพุทธซึ่งหมายถึงหมู่ชนผู้ล่วงรู้ว่า ความจริงขั้นสูงสุดคืออะไรแต่ส่วนใหญ่กลับไม่แตกต่างจากชาวโลกผู้ไม่รู้จักอะไรมากกว่าความอยากเฉพาะหน้าของตนหน้าเสียดายชาวพุทธที่พอรู้ระแคะระคายเกี่ยวกับบรมสุขพากันหลงงมไม่ทราบวิธีเข้าให้ถึงทั้งที่วิธีการยังคงปรากฏอยู่ทนโทษในพระคำพีของชาวพุทธเอง หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยคำอธิบายง่ายดายไร้สับแสงถึงวิธีมีสติอยู่ตลอดเวลาและเป็นการมีสติชนิดที่จะอยู่เหนือความทุกโศกตลอดจนพบความจริงอันน่าตกตะลึงตรงหน้านั่นคือกายใจไม่ใช่เราและยังมีธรรมชาติอีกแบบหนึ่งที่พ้นไปไม่มีใครในโลกเคยจินตนาการได้ถึงมาก่อน ถ่อยคาที่สามารถพาไปถึงความสุขอันเป็นอมะตะมีอยู่จริงน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ตายไปโดยไม่ได้อ่านและหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งที่ตัวผมเองเขียนเสร็จก็ไม่เสียดายถ้าต้องตายจากไปเพราะถือว่าความปรารถนาที่ติดค้างคาใจได้บรรลุผลอย่างบริบูรณ์ในบรรทัดปิดเล่มนี้แล้วดังตริน มกราคม2551คำนิยมเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเป็นหนังสือธรรมะที่สร้างปรากฏการณ์ให้แก่แวดวงวรรณกรรมในประเทศไทยนับตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2547โดยได้ทำสถิติติดอันดับหนังสือขายดีข้ามปียังต่อเนื่องยาวนานด้วยยอดพิมพ์มากกว่า50ครั้ง จำนวนหลายแสนเล่มแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยโดยเฉพาะในหมู่ผู้อ่านกลุ่มเยาวชนจนถึงคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและเข้าใจในเรื่องบาปบุญเวรกรรมว่าเป็นเรื่องจริงส่งผลจริงแท้แน่นอนและเที่ยงธรรมจนนำไปสู่การศึกษาหาหนทางในการพัฒนาตนเองให้ถึงที่สุด ตามศักยภาพและสิทธิที่มนุษย์พึงปรารถนาได้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนับได้ว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสิทธิที่จะเลือกได้สารพัดเลือกที่จะสุขเลือกที่จะทุกข์เลือกที่จะมีหรือไม่มีเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นเลือกที่จะเห็นหรือไม่เห็นเลือกที่จะรู้หรือไม่รู้ทางเลือกทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเราเองเท่านั้น หาใช่ผู้ใดไม่แต่เสียดายน้อยคนนักที่ได้ตระหนักในสิทธิทอันพึงมีจากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์จบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเสียดายที่หลายต่อหลายคนไม่เคยรู้สึกเสียดายที่โอกาสทองของชีวิตกำลังจะผ่านเลยไปในชั่วพริบตาและจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีก หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่มสองเป็นคู่มือการฝึกมีสติอย่างเข้าใจคือไม่ใช่แค่ฝึกเพื่อจะมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ยังเข้าใจว่าจะมีสติอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์และมีสติอย่างไรจึงจะรู้จักความสุขที่แท้จริงผลที่สามารถสัมผัสและพิสูจน์ได้ทันทีจากการอ่านและลงมือปฏิบัติ ตามแนวทางที่คุณดังตรินได้ถ่ายทอดด้วยถ้อยคำและภาษาที่เรียบง่ายคือความเบาสบายอบอุ่นและความสว่างที่จะเกิดขึ้นในใจและในกายคงไม่มีคำกล่าวใดที่สรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้ดีไปกว่าความรู้สึกจากใจคุณดังตรินในกระทู้ลานธรรมเสวนาทุกถ้อยคำที่ผมเขียน ผมถือเป็นการอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สเสด็จมาโปรดมาสั่งสอนวิธีเจริญสติให้พวกเราอีกครั้งในการอันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักเช่นนี้แม้เพียงมีจิตยินดีในธรรมของพระองค์เพียงชั่วขณะก็ขอให้มหากุศลจิตนั้นของท่านทั้งหลายจงเป็นเชื้อสายแห่งความสว่างสู่ธรรมมาพิสมัย ได้บรรลุธรรมอันควรแก่ความเพียรในการปัจจุบันด้วยเทินขอน้อมถวายบุญกุศลจากการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาตลอดจนทดแทนพระคุณบุพการีรวมถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่มีประมาณดานายจันเจ้าฉาย มกราคม2551บบทตั้งของวิธีเจริญสติบทตั้งนี้มีไว้เพื่อให้ทราบว่าเจ้าประโยชน์อะไรจากการเจริญสติตามวิธีของพระพุทธเจ้าตลอดจนเข้าใจชัดๆกันแต่แรกว่าการเจริญสติคือการเอาสติไปรู้อะไรบ้าง จะได้ไม่ไขวยเขว์ออกนอกทางในภายหลังวิธีเจริญสติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อพบบรมสุขอันมหาสจัญการจะรู้จักรสุขอันมหาสจั์นั้นจิตต้องแปลสภาพเป็นดวงไฟใหญ่ล้างผลาญเชื้อแห่งทุกข์ให้สิ้นรากไม่หลงเหลือส่วนให้กลับกําเริบเกิดเป็นทุกทางใจขึ้นได้อีกจิตที่สว่างเป็นไฟใหญ่ล้างกิเลสนั้น คือภาวะแห่งการบรรลุมรรคผลเราไม่อาจบรรลุมรรคผลด้วยการควบคุมดินฟ้าอากาศหรือร่างกายภายนอกให้เป็นไปในทางใดๆทางเดียวที่จะทำได้คือเจริญสติเพื่อพัฒนาจิตให้อยู่ในสภาพที่มีกำลังมีความผ่องใสเป็นอิสระไม่หลงติดกับเหยื่อล่อทั้งหลายกระทั่งแก่กล้าพอจะยกระดับปฏิวัติตนเอง หมุนทวนกลับจากวังวนอุปาทานขึ้นสู่สภาพหลุดพ้นที่เด็ดขาดหลุดพ้นจากอะไรหลุดจากสิ่งที่นึกว่าเป็นตัวเราหลุดพ้นจากความเกาะเกี่ยวที่ไร้แก่นสารทั้งปวงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้มีสติรู้นั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังเกาะเกี่ยวโดยนึกว่าเป็นเราหรือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเรา สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้มีสติรู้มีอยู่สี่ประการได้แก่ 1. งกายในกายหมายถึงให้รู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของความเป็นกายเช่นขณะนี้หลังงอหรือหลังตรงรู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติเห็นองค์ประกอบหนึ่งของกายแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้ตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของกายได้อีก เช่นในกายนั่งหลังตรงหรือหลังงอนี้กำลังต้องการลากลมเข้าหรือระบายลมออกหรือหยุดทั้งลมเข้าและลมออกสงัดนิ่งอยู่ถ้าเพียงรู้กายในกายได้เสมอเสมอก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่ากายไม่ใช่เราไม่ว่าจะส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่โดยรวมเราจะรู้สึกอย่างที่กายปรากฏให้รู้สึก ไม่ใช่หลงยึดว่ากายเป็นเราอย่างที่กิเลสมันบงการให้ยึดและในความไม่ยึดกายนั่นเองจิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลายสองเวทนาในเวทนาหมายถึงให้ทราบความรู้สึกหนึ่งหนึ่งเช่นขณะนี้กำลังสบายหรืออึดอัดรู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติ เห็นหนึ่งในความรู้สึกแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้เฝ้าตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของความรู้สึกสุขทุกข์ได้อีกไม่จํากัดว่าต้องดูภาวะใดภาวะหนึ่งของเวทนาเพียงอย่างเดียวถ้าเพียงรู้เวทนาในเวทนาได้เสมอเสมอก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่าเวทนามีอยู่หลากหลาย และเราเวทนาก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะสบายหรืออึดอัดเพียงใดเราจะรู้สึกอย่างที่เวทนาปรากฏให้รู้สึกไม่ใช่หลงยึดว่าความสบายเป็นของเรากับทั้งไม่หลงยึดว่าความอึดอัดเป็นเรื่องที่ต้องรีบกำจัดทิ้งไปจากเราและในความไม่ยึดเวทนานั่นเองจิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลาย 3. จิตในจิตหมายถึงให้รู้ภาวะของจิตในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเช่นขณะนี้กําลังสงบนิ่งหรือขัดเคืองราคาญ ร, รู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติเห็นภาวะของจิตขณะหนึ่งแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้เฝ้าตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของความเป็นจิตได้อีก ไม่จำกัดว่าต้องดูภาวะใดภาวะหนึ่งของจิตเพียงอย่างเดียวถ้าเพียงรู้จิตในจิตได้เสมอเสมอก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่าจิตมีอยู่หลากหลายและบรรดาจิตก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะอยู่ในภาวะสงบนิ่งหรืออยู่ในภาวะขาดเคืองรำคาญเราจะรู้สึกอย่างที่จิตปรากฏสภาพให้รู้สึกไม่เชลงยึดว่าความสงบนิ่ง ควรเป็นสภาพดั้งเดิมของจิตเรากับทั้งไม่หลงยึดว่าความขัดเคืองรําคาญต้องไม่เกิดขึ้นกับจิตของเราและในความไม่ยึดจิตนั่นเองจิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลาย 4. ี่ธรรมในธรรมหมายถึงให้รู้สภาวะธรรมต่างๆในแต่ละขณะเช่นขณะนี้ระลอกความคิด ผุดขึ้นหรือดับลงรู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติเห็นสภาวะธรรมในแต่ละขณะแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้เฝ้าตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของสภาวะธรรมต่างๆได้อีกไม่จำกัดว่าต้องดูภาวะใดภาวะหนึ่งของสภาวะธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าเพียงรู้ธรรมในธรรมได้เสมอเสมอ ก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่าธรรมมีอยู่หลากหลายและปวงธรรมก็ไม่ใช่เราไม่ว่าสิ่งที่ผุดขึ้นขณะ น, นี้หรือสิ่งที่รับร่วงไปแล้วเราจะรู้สึกอย่างที่ธรรมปรากฏสภาวะให้รู้สึกไม่ใช่หลงยึดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นเป็นเรากับทั้งไม่หลงยึดว่าสิ่งที่รับร่วงไปแล้วเคยเป็นเรา และในความไมยึดธรรมนั่นเองจิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลายจากความรู้สึกว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เราจะพัฒนาจนกลายเป็นความรู้ชัดว่าไม่มีสิ่งใดเป็นเราและเมื่อรู้ชัดอย่างต่อเนื่องย่อมคลายจากอาการยึดทั้งปวง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 เมื่อเรื่องร้ายๆผ่านไปซสได้นอกนั้นลมหายใจมีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่เคยเป็นที่สนใจรับรู้การฝึกรู้ลมหายใจให้ได้เรื่อยๆนับเป็นความแปลกใหม่แน่นอนว่าแรกๆเมื่อยังไม่คุ้นก็อาจทำไม่ค่อยถูกจับจุดไม่ค่อยถนัดหรือกระทั่งอื่นอาจได้ต่อเมื่อฝึกสั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งเริ่มมีใจรักที่จะอยู่กับลมหายใจ เห็นลมหายใจเป็นเครื่องเล่นของสติถึงเวลานั้นสติจะตั้งรู้อยู่อย่างผ่อนคลายและกลายเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกตัวอย่างสำคัญการฝึกรู้ลมหายใจทำได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้หนตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเมื่อเริ่มฝึกช่วงแรกสุดควรอยู่ในที่สงัดสบายมีสติไม่เหนื่อยล้าขอให้สังเกตว่า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 จนกลายเป็นเพ่งจับแรงเกินไปจึ อ, อึดอัดคัดแน่นหรือมีกายกำเกรงด้วยความคาดหวังเร่งรัดให้เกิดความสงบทันทีแต่หากลากลมหายใจเข้าจนสุดแบบผ่อนพักแล้วจึงกำหนดสติรู้ลมขณะผ่อนออกก็จะไม่รีบรีดลมจนท้องเกรงและรู้สึกว่าลมหายใจเป็นสิ่งถูกเห็นได้ง่ายขอให้จำไว้ว่า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 คืออาการที่หน้าท้องค่อยๆพองออกทีละน้อยกระทั่งลมสุดปอด 4. รู้ทั้งลมยาวและลมสั้นช่วงลมหายใจแรกๆที่กําหนดสติรู้ขอให้สังเกตว่าจะมีความลากเข้ายาวผ่อออกยาวได้อย่างสบายลมยาวเป็นสิ่งถูกรู้ได้ง่ายแต่เมื่อชักลมยาวได้เพียงครั้งสองครั้งร่างกายก็จะต้องการลมสั้นลง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 และเห็นว่าไม่ต่างกันเลยกับของเรานั่นคือมีออกแล้วมีเข้ามีเข้าแล้วมีออกสักแต่เป็นภาวะผัดไหวครู่หนึ่งแล้วหยุดระงับลงเหมือนเหมือนกันหมดถึงตรงนี้เราจะเกิดภาวะความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งแตกต่างไปจากสามัญ น, นั่นคือลมหายใจมีอยู่ก็สักว่าเพื่อเราลึกรู้และตราบใดที่จิตอยู่ในอาการสักแต่ระลึกรู้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 ก็แปลว่าสติของเราขาดไปแน่ๆและเมื่อรู้ว่าสติขาดก็จะได้รู้ต่อว่าควรนำกลับมาตั้งไว้ตรงไหนด้วยรู้อิริยาบถขั้นที่สองของการฝึกมีสติอยู่กับกายเพียงด้วยการมีสติรู้ความไม่เที่ยงของลมหายใจเราไม่อาจละอุปาทานในตัวตนได้ทั้งหมด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 ด้วยการปรับเปลี่ยนท่าทางเส้นใหม่ให้สบายขึ้นกว่าเดิมนอกนั้นแม้มีร่างกายก็เหมือนไม่มีในการรับรู้ของเราที่อยู่อยู่จะให้สามารถะระลึกถึงร่างกายได้เรื่อยๆนั้นไม่ใช่วิสัยธรรมชาติต่อเมื่อฝึกรู้ลมหายใจได้ผลมาแล้วเราจะมีความรู้สึกเข้ามาในกายอย่างเป็นไปเองโดยไม่ต้องบังคับกล่าวคือ ทันทีที่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกอยางสบายเดี๋ยวนี้ร่างกายในท่าทางปัจจุบันก็จะพลอยปรากฏให้รู้ไปด้วยเดี๋ยวนี้เช่นกันความรู้สึกว่ามีหัวมีตัวมีแขนขาปรากฏเป็นท่าทางหนึ่งๆโดยปราศจากความเพ่งเลงหรือเครียดเกรงนั่นแหละเรียกว่าการรู้อิรยาบทขอให้เข้าใจดีๆ ด, ด้วยว่าการก้มลงมองเห็นด้วยตาเปล่า ว่าร่างกายปรากฏในท่าใดหาใช่การรู้อริยาบทไม่การรู้อริยาบทต้องใช้ใจรู้เท่านั้นไม่ใช่ใช้สายตามองเห็นเมื่อฝึกรู้อริยาบทให้มากแล้วเราจะได้ฐานของการมีสติอย่างถูกต้องแม้ต่อยอดไปรู้อะไรอีกแค่ไหนก็แน่ใจได้ว่าไม่หลงคิดไปเอง ท้งนี้เพราะการรู้ริยาบทคือการรู้ของจริงในปัจจุบันไม่มีทางเป็นอื่นเช่นถ้านั่งอย่างมีสติย่อมไม่มีทางรู้สึกว่ากําลังยืนและเมื่อรู้ชัดตามจริงว่ากําลังนั่งก็ยังรู้ตามจริงด้วยว่านั่งอย่างสบายหรืออึดอัด น, นั่งอย่างฟุ้งซ่านหรือสงบนั่งอย่างคิดดีหรือคิดร้ายเป็นต้นเบื้องต้นขอให้สังเกตว่า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 การเดินไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องฝึกก็เดินกันได้แต่ที่จะรู้อากาศเดินให้ถูกต้องตามจริงนั้นจำเป็นต้องฝึกกันมิฉะนั้นระหว่างเดินมักจินตนาการไปต่างๆเช่นจินตนาการไปว่าเรากำลังเดินอยู่ด้วยบุคลิกสงบสำรวมเรากำลังเดินด้วยท่าทีที่น่าเกรงขามเรากาลังเดินอย่างมีความสุขล้นเหลือ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 ก้าวเท้าแบบเดียวกับทอดน่องเดินเพื่อความผ่อนคลายแต่ในการเดินอย่างผ่อนคลายนั่นเองให้กําหนดรู้ผัด ส, สะระหว่างเท้ากับพื้นไปด้วยขอให้สังเกตว่าถ้าเท้าเกร็งจะรู้กระทบไม่ชัดแต่ถ้าเท้าอ่อนและวางเหยียบพื้นได้เต็มฝ่าเท้าจะรู้สึกถึงกระทบได้ชัดยิ่งรู้ต่อเนื่องนานเท่าใดเท้าก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น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 เท้าจะลดความกระด้างลงและแม่กายเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วก็ไม่มีความกำเกรงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อรู้สึกถึงเท้ากระทบพื้นชัดเจนอย่างสบายตลอดกายช่วงบนปลอดโปร่งดีแล้วก็ค่อยลดระดับความเร็วลงมาเป็นปกติเหมือนทอดน่องเช่นเคยจังหวะกลับตัวที่ปลายทางจงกลมก็สาคัญหากรีบเร่งกลับตัวแบบไม่ทันรู้เท้ากระทบ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 ฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพื้นหากเป็นการนั่งเจริญสติรู้ลมหายใจส่วนหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ว่ากำลังนั่งเพียงสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าหลังตรงหรือหลังงอและส่วนหัวกำลังตั้งอยู่หรือเอียงเอ็นไปทางใดก็นับว่าเริ่มเกิดสติรู้ริยาบทนั่งตามที่กำลังปรากฏอยู่จริงๆแล้วในชีวิตประจาวันตามปกตินั้น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 ต่างอยู่ท่าหนึ่งไม่นานก็ต้องเสื่อมไปเพื่อแปลไปสู่ท่าอื่นและเช่นกันอิริยาบทนั่งในชีวิตประจาวันถูกรู้ควบคู่ไปกับลมหายใจด้วยได้คือเมื่อหายใจออกรู้ว่าลมระบายจากท่านั่งเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าลมถูกลากเข้าสู่ท่านั่งเมื่อฝึกรู้เช่นนี้ไม่ว่านั่งอยู่อย่างไร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 และแขนขาอันกำลังสัมผัสที่นอนอยู่ยามนอนเป็นช่วงที่เกิดสัมผัสมากที่สุดโดยไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆท่านอนที่ถูกสุขลักษณะควรมีทั้งตะแคงและหงายสลับกันการนอนท่าใดท่านหนึ่งนานๆอาจมีผลให้ลมหายใจติดขัดฉะนั้นตราบเท่าที่ยังคงสติไม่หลับไปเสียก่อนเราก็ต้องตามรู้ไปว่า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 จะเหมือนการเจริญสติต้องเลือกเวลาเลือกท่าทางซะก่อนการฝึกรู้อิริยาบถให้ถูกต้องนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากสาหรับการเจริญสติขั้นต่อต่อไปเพราะนอกจากจะทำให้แน่ใจว่าเราอยู่กับความจริงที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าแล้วยังเป็นเครื่องประกันว่าเราจะไม่เพ่งเลงเข้ามาในกายใจด้วยความเจาะจงคับแคบ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 ไม่อาจเห็นไม่อาจอธิบายได้ถูกว่าภาพทั้งหมดเป็นอย่างไรต่อเมื่อทำความเข้าใจว่ามองภาพให้เห็นต้องตั้งระยะห่างระดับหนึ่งและมองคลุมไปทั้งหมดจึงค่อยเกิดความมั่นใจว่าภาพเป็นอย่างไรควรตั้งชื่อเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนกันแน่เมื่อเกิดสติรู้ชัดเท่าทันไปทุกอิริยาบถเรื่อยๆเราย่อมรู้สึกประจักษ์ขึ้นมาเอง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 ความรู้อยู่เสมอเสมอว่าอิริยาบถไม่เที่ยงนั่นเองจะเหนียวนำให้จิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเพืงใจที่จะไม่ออกไปไหนมากขึ้นตามกำลังสติที่จเจริญขึ้นวันต่อวันรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆขั้นที่สามของการฝึกมีสติอยู่กับกายแม่ฝึกมีสติอยู่กับกาย ผ่านอิริยาบทต่างๆกระทั่งร่างกายปรากฏดุดหุ่นกลที่ถูกเราเฝ้าดูจากเบื้องหลังก็ขอยให้สังเกตว่าจังหวะที่ขยับเปลี่ยนจากอิรยาบทเดิมหันซ้ายแลขวากรอกตาหรือยืดตัวไปต่างๆก็จะเกิดความรู้สึกว่ากริยานั้นๆเป็นตัวเราในทันทีอิริยาบทเดิมที่ถูกดูอยู่หายไปแล้วดังนั้น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 เราจะฝึกทำความรู้สึกตัวด้วยการสังเกตความเคลื่อนไหวปรีกย่อยต่างๆทางกายซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะเมื่อเริ่มต้นฝึกนั้นนักจเจริญสติส่วนใหญ่จะกำหนดเพ่งเร็งไปยังอวัยวะที่กำลังเคลื่อนไหวเช่นเมื่อยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก็จะตั้งสติอย่างเจาะจงลงไปที่มือหรือแขน จิตจึงรับรู้ได้เพียงในขอบเขตแคบแคมแค่มือหรือแขนอันนั้นไม่นับไปความรู้สึกตัวที่จะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตามธรรมชาติของจิตแล้วเมื่อเพ่งเร็งสิ่งใดย่อมยึดสิ่งนั้นเพ่งมือก็รู้สึกว่านั่นมือของเราเพ่งแขนก็รู้สึกว่านั่นแขนของเราเรากำลังยื่นมือไปหยิบแก้วน้าขึ้นมาดื่ม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 เมื่อรู้ก็จะเห็นความแตกต่างเหล่านั้นแต่ถ้าไม่รู้ก็คล้ายจะเหมือนเหมือนกันไปหมดหกทำความรู้สึกตัวในขณนะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะการถ่ายของเสียมักเกิดขึ้นในริยาบทนั่งหรือยืนช่วงเข้าส่วมมักเป็นจังหวะที่เราเผลอเมอไม่มีอะไรทากันมากที่สุดเพราะดูเหมือนไม่เหมาะกับการตามรู้วิธีถ่ายของเสียออกจากกาย แต่หากเราต้องการมีสติอยู่กับกายเสมอเสมอก็จำเป็นต้องรู้แม้ขณะแห่งกิจกรรมชนิดนี้โดยเห็นตั้งแต่ของเสียเริ่มจะออกจากกายจนกระทั่งร่วงพ้นกายไปทีเดียวเราจะได้รู้ว่าร่างกายมีกล้ามเนื้อภายในจัดการขับถ่ายของเสียโดยให้ความรู้สึกอย่างไร 7. ทำความรู้สึกตัวในขณะหลับและตื่น การหลับและตื่นมักเกิดขึ้นในระยะบทนอนขณะใกล้ก้าวลงสู่ความหลับสติเหมือนจะดับไปใช้การอะไรไม่ได้ต่อเมื่อเจริญสติรู้กระทั่งแข็งแรงพอจะรู้แม้จวนเจียนม้อยหลับจะพบว่าแม้ยามตื่นเราก็ตื่นด้วยความรู้สึกตัวไปด้วยและถ้ารู้สึกตัวยามตื่นได้ทุกวันเราจะทราบชัดว่า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 ความถือมั่นทั้งภายนอกและภายในยิ่งน้อยลงเรื่อยๆจิตเริ่มตั้งมั่นแข็งแรงจนอาจเข้าไปรู้เห็นธรรมชาติละเอียดอ่อนที่แต่ก่อนไม่เคยสามารถสัมผัสนับว่าพร้อมกับการเจริญสติขั้นสูงยิ่งๆขึ้นไปไม่จำกัดแล้วเห็นกายโดยความเป็นของสกปรก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 กับทั้งอยากกระโจนเข้าหายอมเสียเงินเสียทองหรือกระทั่งยอมเหนื่อยยากลาบากแทบต้องทิ้งชีวิตเพียงเพื่อให้ได้สัมผัสหนอเหม็นแนวเหม็นของเพศตรงข้ามนี่คือฤทธิ์ของความกําหนัดยินดีความกําหนัดยินดีไข่เสพกามมีสาเหตุมาจากความตรึกนึกเป็นสําคัญถ้าเพียงหมว่นรู้สติเฝ้าตามดูกายตามจริง เห็นความเสื่อมเห็นความสกปรกในกายนี้ไม่ปล่อยให้ความตรึกนึกทางกลามกำเริบก็เพียงพอจะทำให้จิตใสใจเบาไม่เมาเมื่อ ด, ด้วยความรู้สึกทางเพศได้แล้วสองการทำความสะอาดทุกวันเราเคยชินกับการชำระล้างร่างกายทุกส่วนกระทั่งเวลาส่วนใหญ่มีตัวแห้งสบายไร้กลิน่นชินเข้าก็หลงนึกทึกทักว่า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 ทราบว่ากําลังอยู่ในอริยาบทใดท่าทางเคลื่อนไหวแบบไหนเราก็จะสามารถรู้สึกถึงกายส่วนที่เกี่ยวข้องได้ขอให้พิจารณาดังนี้ขณะสะผมเส้นผมและหนังศีรษะจะปรากฏให้รู้สึกผ่านฝ่ามือที่ขคยี่อยู่ขณะฟอกสมูผิวหนังจะปรากฏให้รู้สึกผ่านมือที่ลูบถูเพียงใส่ใจพิจารณาประกอบเข้าไป ก็จะรู้ว่าเส้นผมและผิวหนังเป็นสิ่งสกปรกเพราะทําไม่สกปรกจะต้องทำความสะอาดทำไมและก็เห็นเห็นอยู่ว่าน้ำที่เคยสะอาดกับกลายเป็นน้ำดำเมื่อถูกใช้ล้างตัวขณะแปลงฟันฟันจะปรากฏให้รู้สึกผ่านมือที่จับแปรงฟันทำหน้าที่ขบเคี้ยวซากพืชและศพสัตว์มามากไม่มีทางที่จะสะอาดอยู่ได้ ขณะชายโกนหนวดหรือหญิงโกนขนรักแร้เส้นขนจะปรากฏให้รู้สึกผ่านอุปกรณ์การโกนขนเป็นสิ่งที่งอกเงยแทงทะลุผ่านผิวหนังสกปรกออกมาเรียงกันเมื่อโผล่จากผิวหนังสกปรกเส้นขนย่อมมีส่วนแห่งความสกปรกเป็นเรื่องรกที่รบกวนให้เรากําจัดทิ้งร่ําไปขณะตัดเล็บเล็บจะปรากฏให้รู้สึกผ่านกรรไกรตัดเล็บ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 ทราบว่าอุจจาระเป็นสิ่งหน้าขยะขยงังนั้นภายในช่องท้องอันเป็นที่มาของอุจจาระก็คงไม่เคล้าต้องมีความวโศกโรกหน้าขยะขยงด้วยเช่นกันกล่าวได้ว่าอุจจาระเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอกทําให้เราตระหนักว่ากายไม่ได้สกรปรกเพียงด้วยคราบเหงื่อคราบใครฉาบผิวด้านนอกแท้จริง ด้านในยิ่งขนาดแน่นยัดเยียดโดยสิ่งเน่าเหม็นหนักกว่าซ่วมที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดมาชั่วนาตาปีแต่ละวันเราแค่ใช้สบู่แชมพูดับกลิ่นที่เล็ดลอดออกมาแบบกรบเกลื่อนเป็นคราวๆไปเท่านั้นโคตรเงาของความสกปรกไม่ได้ถูกชำระสะสางเลยแม้แต่น้อยหากหมกมุ่นฝังใจอยู่กับความสกปรกโวยขาดสติ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 หรือจะกลับมาจดจอ่อเพื่อจุดประสงค์เช่นดับราคาเฉพาะหน้ายิ่งเมื่อจิตตีตัวออกห่างจากกายเห็นกายเป็นสิ่งสกปรกส่วนเกินมากขึ้นเท่าไรจิตก็จะยิ่งสงบระงับกระทั่งเกิดสติและความสว่างอย่างใหญ่รู้สึกถึงกายนี้โดยไม่ต้องพึ่งประสาทยาบจิตสามารถรู้เห็นแหวกเข้าไปภายในกายทั้งกายปรากฏในความรับรู้ เราก็เป็นถุงยาวๆที่มีปากสองข้างด้านบนเอาไว้ใส่ของดีด้านล่างเอาไว้ถ่ายของเสียและเห็นในถุงนั้นยัฒนานอยู่ด้วยเส้นเอ็นโครงกระดูกไขกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อุจาระปัสสาวะดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันค้น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 ถ้าระ ง, งับกิเลสทางเพศได้และมีจิตเป็นอิสระจากกายเบาสบายและตั้งมั่นได้นานขึ้นเรื่อยเนั่นแหละขอให้ถือว่ารู้ถึงจุดประสงค์ของการฝึกขั้นนี้แล้ว